กลอนแก้ทุกจรการพัรธนาเรื่องทุกจรเป็นการยากที่จะให้จบสิ้นลงได้เพราะเรื่องของทุกจรมีทางมาร้อยทางพันทางจึงขอผ่านเลยไปทีเดียวจะได้นำท่านผู้ฟังเข้าสู่กลวิธีที่เราจะใช้ต่อต้านเลยทีเดียวและแม้การวางกลแก้ทุกก็ยากที่จะจับตัววางตายลงไปได้ว่า ถ้าทุกอย่างนั้นจะใช้คนอย่างนี้ไม่เหมือนตำรายาแก้โรคที่กำหนดตายตัวไว้ได้เลยเพราะโรคทางกายนั้นจะมีกี่อย่างกี่อย่างก็ เ, เกิดขึ้นนอกร่างกายไม่ได้แต่โรคทางใจกว้างขวางมากมันมีทางมาได้รอบด้านเอที่จะทำให้ใจทุกข์ก็ยุมหยิมมากมายแม้แต่เห็นคนอื่นบ้วนน้ำลายใจเราก็อาจทุกได้ คนแก้ทุกจรที่จะเสนอท่านผู้ฟังต่อไปนี้โปรดเข้าใจว่าเพียงเป็นตัวอย่างหรือเป็นหลักกว้างๆซึ่งเวลาใช้จริงท่านควรจะปรับปรุงให้เหมาะกับาธาตุของท่านเองจึงจะได้ผลดีตอนคนที่หนึ่งอย่าขยายทุกขบางคนชอบขยายทุกขคือทุกจริงมันนิดเดียว แต่เราไปวาดภาพให้มันใหญ่โดยวิตกไปเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเอากล้องขยายดูมดแดงเสร็จแล้วกลัวขนลุกขนพองเพราะเห็นมดตัวโตขึ้นอีกหลายเท่านี่ต้องเข้าใจว่าเนื้อหาของทุกจริงๆนั้นมันนิดเดียวเท่าตัวมดเท่านั้นส่วนความทุกข์ที่เลยจากนี้ซึ่งเรากลัวขนลุกขนพองนั้น เป็นทุกข์ที่เราขยายขึ้นเองทั้งสิน้นวิธีขยายทุกข์ขึ้นเล่นงานตัวเองตรงกับภาษาธรรมะว่าวิตกคือนึกวาดภาพร้ายต่างๆเพิ่มขึ้นจากความจริงแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้เอาล่ะท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นท่านก็มองเห็นจุดที่จะแก้แล้วเพราะว่า มดแดงมันไม่ได้โตของมันเองตัวจริงมันไม่ได้โตอะไรนักหนาแต่มันโตเพราะกล้องขยายถ้าเราโยนกล้องขยายทิ้งเสียมดแดงมันก็จะต้องตัวเล็กลงเท่าเดิมความน่ากลัวที่เรารเผชิญอยู่นั้นก็จะหายความทุกข์ที่ตั้งเขามาจะเล่นงานเราก็เหมือนกันเนื้อหาของทุกจริงๆไม่เท่าไหร่ ที่เราเห็นมันใหญ่โตมโหฬารมากก็เพราะเราเอากล้องวิตกขยายมันขึ้นถ้าระงับวิตกเสียตั้งใจดูเจ้าทุกข์นั่นอย่างใจเย็นทุกที่เราคิดว่ามันมากเกินกำลังก็จะเหลือน้อยลงไม่ถึงกับจะต้องกินยาตายคนเรานั้นจะเป็นเพราะกลัวทุกข์มากเกินไปหรืออย่างไรจึงชอบขยายทุกข์ขึ้นเล่นงานตัวเอง ถูกปลอวิตกอย่างนี้เรียกว่าทุกล่วงหน้าก่อนที่ทุกจะถึงตัวจริงๆคนที่มีวิตกมากๆจะทุกอะไรแต่ละทีต้องเสียแป๊ะเจี้ยแพงๆเสมอตอนคนที่สองอย่าตีตนก่อนไข่บางคนชอบตีตนก่อนไข่คือทุกยังไม่มาถึง ตีโพยตีพายไปก่อนว่าเราจะแย่อย่างนั้นจะแย่อย่างนี้แต่เอาเข้าจริงเปล่าเคยมีตัวอย่างมาแล้วคุณนายคนหนึ่งเดิมเป็นชาวต่างจังหวัดแล้วเข้ามาอยู่กรุงเทพแต่คุณแม่ยังอยู่ต่างจังหวัดก่อนเกิดเหตุนี้สองถึงสวันคุณนายก็ได้ข่าวว่าคุณแม่ไม่สบายเล็กๆน้อยๆ ทีนี้วันหนึ่งขณะที่คุณนายกำลังทำงานอยู่บนบ้านพอดีมีบุรุษไพรสเีมาตะกล on เรียกที่ประตูหน้าบ้านโทรเลขครับโทรเลขครับพอคุณนายได้ยินเท่านั้นนึกไว้แย่แล้วคิดว่าต้องเป็นโทรเลขบอกข่าวตายของคุณแม่แน่ๆลงจากบ้านพรางร้องไห้ไปรับโทรเลขจากบุรุษไพรสเี รับมาแล้วก็ไม่ได้เปิดอ่านวางมันลงบนโต๊ะแล้วก็นั่งร้องไห้จะเป็นลมเมื่อแต่คิดว่าตัวได้สูญเสียคุณแม่ไปเสียแล้วครั้นคิดไปคิดไปก็เกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเขาจะเผาศพวันไหนแน่จะได้กะวันไปจึงฉีกโทรเลขออกดูเปล่ากลายเป็นว่าโทรเลขฉบับนั้นเป็นโทรเลขของผัว ทรงมาจากปากใต้ว่าให้ไปรับที่สถานีจะมาถึงเย็นวันนั้นดูแต่ท่านทั้งหลายตกลงคุณนายต้องทุกฟรีการร้องไห้ที่ร้องมาแล้วก็เป็นโมฆะเปล่าๆโปรดคิดดูนี่ใครเป็นคนทำตัวเราทำเองทุกเองใช่ไหมตามตัวอย่างนี้ ร้ายยิ่งกว่าคนเอากล้องขยายมดแดงในคนที่หนึ่งเสียด้วยซ้ำเพราะตัวทุกจริงๆมันไม่มีเลยไม่มีอะไรที่ต้องทุกในโทรเลขฉบับนั้นแต่เราเองตีตัวตายก่อนใข่ประเดี๋ยวมันก็ตายจริงๆเท่านั้นเองเชิญสำรวจตัวเองท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตัดทุกพวกนี้ออกเสียแล้วทุกในตัวท่านจะลดน้อยลงอีกมากเหลือเท่าไหร่ ทุกแบบนี้ทุกฟรีแท้ๆไม่ได้อะไรเลยขอโทษเถอะท่านสูตรภาพสตรีมักจะโดนมากหน่อยเพราะเป็นคนเจ้าความคิดเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ให้มีอันระแวงไปหมดเพียงแต่เห็นเขายิ้มกับใครเข้าหน่อยก็ชักจะทุกข์ตังหิดตังหิดขึ้นแล้ววิธีฝึกเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ให้พยายามศึกษาความจริงของเรื่องนั้นดูตัวจริงมันเสียก่อนได้ยินแต่เสียงร้องก็อย่าไปนึกว่าตัวมันโตเสมอไปบางทีมันร้องดังแต่ตัวเล็กนิดเดียวตอนคนที่สามหยุดทุกข์ที่ไม่จาเป็นเสียบ้างบางคนชอบเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเอง คือทุกที่จำเป็นจริงๆมีเพียงทุกเดียวแต่เราเพิ่มขึ้นอีกสองชั้นสมชั้นเช่นทุกเพราะเจ็บป่วยตัวทุกจริงๆก็คือเรื่องป่วยแต่บางคนป่วยก็ป่วยแล้วยังทุกที่คิดเลยไปว่าโชคชะตาไม่ดีจึงป่วยทุกว่าหมอไม่ดีไม่เอาใจใส่ทุกว่ายาไม่ดีจึงหายช้า และทุกเพราะอะไรอะไรอีกหลายอย่างตกลงว่าทุกที่มาเยี่ยมเราจริงๆเพียงทุกเดียวคือป่วยไข้แต่เราตั้งทุกขึ้นต้อนรับอีกหลายชั้นคนที่ทุกอย่างนี้ต้องแก้เอาเองวิธีแก้ก็คือยุบทุกที่เราแต่งตั้งขึ้นเองนั้นเสียให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คงเหลือไว้แต่ทุกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ทำอย่างนี้แล้วทุกจะเบาบางลองทำดูเห็นผลแน่แนและเห็นผลทันตาเดี๋ยวนี้ที่มันยุ่งมากก็เพราะเราทำให้มันกำเริบขึ้นเองทุกมาหาเราหนึ่งทุกแต่เราจัดตั้งทุกภายในขึ้นเป็นกองเกียรติยศต้อนรับมันอีกสิบเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ยุบกองเกียติยศลงเสียก็เหลือเพียงทุกเดียว ตอนกลที่4ลดความอยากลงความทุกข์ในโลกนี้เมื่อรวมลงแล้วก็คือทุกเพราะอยากความอยากเป็นทุกสุดท้ายหรือยอดทุกที่เรานับทุกว่ามีเท่านั้นเท่านี้กี่ชนิดกี่อย่างเมื่อว่าให้เบ็ดเสร็จแล้วก็ทุกเพราะความอยากทั้งนั้น อยากที่ว่านี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยากกินอยากนอนอยากเที่ยวอยากได้เงินอยากจ่ายเงินอยากแต่งงานอยากอย่าร้างอยากมีหน้ามีตาและอื่นอื่นอีกทุกทั้งนั้นจนกระทั่งความแก่ความตายที่ว่าทุก็คือทุกที่ไม่อยากแก่ ทุกที่ไม่อยากตายนั่นเองคิดดูก็แล้วกันข้อที่แน่ที่สุดคือมีอยากที่ไหนมีทุกที่นั่นอยากน้อยทุกน้อยอยากมากทุกมากไม่อยากเลยไม่ทุกเลยคนที่ติดบุหรี่ก็ทุกเพราะอยากสูบต้องหาบุหรี่มาสูบให้ได้แต่คนที่ไม่สูบบุหรี่ ก็ไม่เกิดทุกข์เพราะไม่มีความอยากสู่คนติดสุราก็ทุกข์เพราะอยากดื่มแต่คนที่ไม่ติดสุราร้อยวันพันปีก็ไม่ทุกข์เพราะเรื่องนี้ตามธรรมดาคนเรามีเรื่องที่ต้องอยากจุกจิกมากอยู่แล้วตั้งแต่เช้าอยากดื่มแล้วก็อยากอะไรอะไรต่อไปทั้งวันจนกระทั่งกลางคืนอยากนอน คิดเถวันทั้งวันเราต้องวิ่งเต้นตัวเป็นเกลียวเพื่อสนองสิ่งเดียวคือความอยากความอยากนั้นเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้อนทำงานแต่ต้องรู้จักควบคุมให้อยู่ในขอบเขตพอเหมาะพอควรถ้าจะเปรียบความอยากเหมือนน้ามันกา๊าซที่เราใช้จุดไฟให้เกิดแสงสว่าง สมมติว่าเรามีน้ำมันก๊าดอยู่เต็มปีป๊บแต่เวลาใช้ก็ต้องแบ่งออกมาเติมตะเกียงสักหนึ่งลิตรและเมื่อเติมตะเกียงไว้แล้วเวลาจะใช้แสงสว่างจริงๆเราก็ใช้ไส้ตะเกียงค่อยๆดูดขึ้นมาพอเหมาะกับความต้องการเท่านั้นน้ำมันที่ขึ้นมาหล่ออยู่บนปลายไส้ตะเกียงขนาดหนึ่งหนึ่งนั้นประมาณสักหยด2หยดเท่านั้นเอง ไม่ใช่มีมากเท่าไหร่ก็โหมเข้าใส่ไฟเท่านั้นเพราะการกระทำเช่นนั้นนอกจากจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรแล้วไฟยังอาจลุกลามไม่บ้านเรือนไปอีกก็ได้พูดต่อพูดต่อคือมีแต่จะเป็นภัยเรื่องความอยากก็เหมือนกันใครจะอยากมากอยากน้อยอย่างไรก็ต้องรู้จักควบคุมความอยากของตนจำกัดขอบเขตความอยากให้พอเหมาะพอควร เหมือนกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนั่นแหละจึงจะเป็นประโยชน์ความอยากที่ไม่มีขอบเขตไม่รู้จักพอเหมาะอยากเหลือเฟืออยากจุกอยากจิกอยากมากเกินขนาดก็เผาหัวใจตัวเองทำให้เกิดทุกข์การบรรเทาความทุกข์ที่ง่ายและได้ผลแน่นอนก็คือการควบคุมความอยากของตัวเองให้พอเหมาะพอควรเท่านั้น วิธีควบคุมความอยากของตัวเองต้องฝึกหัดทำเป็นขั้นๆดังนี้ขั้นที่หนึ่งสำรวจดูความอยากแยกประเภทออกว่าความอยากใดจำเป็นความอยากใดไม่จำเป็นแล้วเล่นงานความอยากที่จำเป็นก่อนคือตัดความอยากพวกนั้นลงให้มากที่สุดที่จะมากได้เลือไว้แต่ที่ตัดไม่ลงจริงๆเช่น สุราบุรี่เป็นของไม่จำเป็นแต่ยังตัด ท, ทันทีไม่ได้เพราะติดแล้วก็คงไว้และพยายามลดลงเวลาตัดความอยากเหลือเฟือให้นึกว่าเราตัดทุกหลงทั้งนี้โปรดเข้าใจว่าไม่ใช่เรางดใช้สิ่งเหลือเฟือต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นที่ว่าตัดความอยากเหลือเฟือนั้นคือ ตัดความอยากที่เผาใจให้เดือดร้อนเพราะสิ่งเหลือเฟืออย่างบางคนยกเอาความอยากเหลือเฟือขึ้นมาเป็นใหญ่บีบหัวใจให้ทุกข์ด้วยการดำเนินการขั้นนี้ความอยากจะลดลงเหลือเพียงความอยากที่จำเป็นขั้นที่สองในความอยากที่จำเป็นเช่นการกินการนุ่งห่มการเรื่องเริงเป็นต้น ก็ให้พยายามตัดความอยากที่เกินตัวออกเสียบ้างเท่าที่พอจะทำได้เช่นในเรื่องการกินก็ตัดพวกกินจุกกินจิกกินอวดมั่งอวดมีและกินไม่เป็นเรื่องเป็นราวออกเสียบ้างเหลือแต่กินเลี้ยงชีพกินเพื่อสุขภาพการนุ่งหม่มก็ตัดการนุ่งหม่มประกวดประชันแข่งขันแข่งชั่วโมงออกเสียบ้าง ให้เหลือแต่นุ่งห่มสุภาพสวยงามตามธรรมดาด้วยการดำเนินการขั้นนี้ความอยากจะลดลงเหลือแต่ที่พอตัวขั้นที่สามอย่าตั้งความอยากไว้ไกลเกินไปเพราะการตั้งความอยากไว้ไกลนักมักจะมีทางให้ทุก์แทรกแซงได้มากให้ท่านลองตั้งความอยากไว้เป็นขั้นขั้นยิ่งตั้งระยะถี่เท่าไหร่ เราจะรู้สึกว่าความทุกข์ลดน้อยลงถนัดทีเดียวทําดูวันพรุ่งนี้จะเห็นผลจริงๆที่ว่าตั้งความอยากระยะห่างหรือที่นั้นอย่างนี้ขณะนี้นายกอเป็นเสมียนเกิดตั้งความอยากเป็นอธิบดีแล้วก็ร้อนอกร้อนใจอยากเป็นให้ได้ในวันพรุ่งนี้นี่ตั้งความอยากระยะห่าง เพราะจากเสมียนถึงอธิบดีไม่ใช่ระยะใกล้บางทีทํางานจนตายก็ไม่ได้เป็นการตั้งความอยากไว้ไกลเกินกว่าที่จะได้อย่างนี้เขาย่อมจะถูกความอยากมันทรมานหัวใจนั่งคอยนอนคอยเฝ้าแต่ผิดหวังอยู่ทุกวันทีนี้ถ้าเราตั้งความอยากให้ถี่เข้าเดี๋ยวนี้เป็นเสมียนผู้น้อยก็อยากเป็นเสมียนผู้ใหญ่ ได้เป็นเสมียนผู้ใหญ่แล้วจึงอยากเป็นประจำนแผนกได้เป็นประจำนแผนกแล้วค่อยอยากเป็นหัวหน้านแผนกอยากเป็นหัวหน้ากองอยากเป็นอธิบดีทำสถานีอยากให้มันกระชั้นเข้าอย่างนี้ความทุกข์จะน้อยลงยิ่งถีกว่านี้ยิ่งดีเราจะกลายเป็นคนมีโชคดีประสบความสำเร็จง่ายเข้าเร็วเข้า อาจทุกวันทุกเดือนก็ได้ผิดกับคนที่ตั้งความอยากไว้ไกลเกินไปกว่าจะพบความสำเร็จกับเขาทีก็10ปี20ปีอย่าลืมว่าการหาทองทีละเฟืองละหุน่นพอหาได้ทุกเดือนสบายใจทุกเดือนแต่ถ้าเอากันทีเดียว10บาท20บาทอาจจะต้องใช้เวลาเป็น 10-10 บ10ปีก็เป็นได้แล้วก็หมายความว่า เขาต้องตกทุกข์อยู่นับสิบสปีเหมือนกันหรืออาจทุกข์จนตายหรือหาไม่ได้เลยก็ได้ความปรารถนาที่จะก้าวหน้าไปให้ไกลที่สุดดีที่สุดเด่นที่สุดไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรทําให้ท่านทุกข์เพราะนั่นเป็นที่หมายปลายทางขอสําคัญจงตั้งสถานียากตามเส้นทางนั้นให้กระชั้นกระชั้นหน่อยเท่านั้น และขอย้ำหัวตะปูอีกนิดหนึ่งว่าถ้าท่านเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพสูงแทนที่จะไปเพิ่มเงินหรือควบคุมราคาสินค้าจงหันมาเพิ่มความพอและควบคุมความอยากของเราดูบ้างจะเห็นผลแน่นอน